เจริญพรหลวงพ่อเป็นส่นารักเสษนะนานเรืองลังก็เสียงเส้นเสียงไม่ค่อยจะดีหมอเขาแนะนำว่าไม่ให้พูดเกินครั้งละชั่วโมง ถ้าขืนพูดต่อไปนะต่อไปมันจะมีเนื้องอกที่เส้นเสียงเข ไ, ไปผ่าแล้วพูดไม่ได้หลายปีงั้นเราฟังชั่วโมงหนึ่งแล้วฟังไปได้เรื่อยๆน่าจะดีกว่างั้นช่วงนี้หลวงพ่อคงไม่ได้ตรวจกันบ้านแล้วละแต่หลวงพ่อมีผู้ช่วยสอนวันนี้เยอะมากเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดคนนะนะมีข้อข้องใจก็ไปถามถามก่อนนะที่จริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนะี่ยมันเพียงพอที่จะปฏิบัติได้ด้วยตัวเองทำได้ด้วยตัวเองเพราะสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนะี่ยมันจะเป็นหลักของการปฏิบัติทั้งหมดเลย ถ้าหลักเราแม่นสัอย่างเดียวนะเราคลำทางไปได้เวลาเจอสภาวะแปลกๆเนะี่ยอาจจะงงอยู่ช่วงหนึ่งของไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะอย่างเราพอวนาพนาวนาอยู่มีดวงอะไรปลุกขึ้นมาสว่างมีสีสวยงามอะย่างเงี้ยเราอาจจะงงว่ น, นี่บรรลุมรรคผลหรืออะไร รเรางพ่อก็สอนวิธีตรวจสอบให้ด้วยภาวนามันก็ต้องตรวจสอบตัวเองได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านจะบอกเลยวินิูชนมันรู้ได้โดยตัวเองรู้ได้แต่ต้องไม่เข้าข้างตัวเองวะนินฉูชนไม่เข้าข้างตัวเอง า, ารูารด้ดูอย่างเราคิดว่าเราสล้างกิเลสไปแล้วเนี่ยเราก็สังเกตดูกิเลสตัวนั้นมันถูกล้างจริงๆหรือเปล่า ใช้ความสังเกตเอาหลวงพ่อภาวนามาหลวงพ่อกันเดินมาด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ไปเรียนหลักจากครูบาอจารย์ท่านก็สอนไม่มากหรอกครูบาจารย์รุ่นเก่าแล้วไม่มีแจกแจงรายละเอียดหรอมีแต่สั่งอย่างเดียวเลยอย่างหลวงพูอ ด, ดูลไปเจอท่านครั้งแรกไปบอกท่านว่าหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติหลวงปูไม่พูดเลย นั่งหลับตางเงียบๆไปนะเกือบชั่วโมงนะเพราะท่านลืมตาท่้ก็พูดเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่สอนเข้ามาตรงนี้เลยเข้ามาที่จิตตนเองเลยท่านก็บอกว่าถ้าอ่านจิตตนเองได้นะต่อไปก็จะเห็นนะอริยสัจแห่งจิต จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตสออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแช่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแช่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่ธรรมชาติของจิตมันย่อมส่งออกนอกแต่ส่งออกนอกแล้วก็เพื่อหมันใหม่ไม่มีสติอยู่นะถ้าเป็นสมุทยัยถ้าส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่ไม่ก็เพื่อหมันใหม่ก็เป็นทางที่จะพ้นทุกข์ ท่านก็สรุปตอนท้ายบอกพระอริยเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหมั่นไหวก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์จบอริยสัจสอนเท่านี้แหล ะ, ะส่วนที่ท่านสอนหลวงพ่อตรงๆเลยก็แค่ว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง ส, สองประโยชน์เองนะ อ่านนังสือมามากแล้วต่อ น, นี้อ่านจิตตนเองอ่านยังไงก็ไม่บอกเอาอะไรไปอ่านก็ไม่บอกไม่บอกอะไรเลยเราก็ต้องค่อยๆ ค, คลาทางปฏิบัติเอาอาศัยความอดทนนะสังเกตว่าทำอย่างนี้แล้วกุศลเจริญขึ้นหรือว่าอากุศลเจริญขึ้นถ้าสังเกตที่ใจเหล่านี้แหละถ้าทำแล้วกิเลสแรงกว่าเก่าแล้วไม่ใช่หรอก ถ้าทาแล้วลดลากิเลสได้ถึงจะใช่แต่ได้ยินประโยชน์นี้บางทีก็ถูกกิเลสหลอกนะกิเลสได้ยินว่าเราจะคอยดูกิเลสกิเลสซ่อนเลยไม่ให้ให้ดูเลยหายเงียบเลยไม่มีกิเลสที่แท้มันกลัวเราเห็นมันมันซ่อนพวกเราไม่มีวันหลอกกิเลสได้นะมีแต่กิเลสจะหลอกเราเพราะเราคิดอะไรนะี้กิเลสมันรู้ทันหมด แต่กิเลสมันวางแผนอะไรเราไม่เคยรู้ทันมาเลยสู้มันไม่ไหวอาศัยความอดทนอาศัยความสังเกตเป็นระยะระยะไปหลวงพ่อก็มาเริ่มสังเกตท่านให้ดูจิตขั้นแรกเลยก็ต้องรู้ก่อนจิตอยู่ตรงไหนแล้วต้องหาก่อนจิตอยู่ที่ไหนเราจะดูมันได้ยังไงจะเอาอะไรไปดูเนี่คยค่อยๆสังเกตไปก็ามานึกนะจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี้ จตไม่อยู่ที่อื่นหรอกจิตไม่ได้ไปอยู่ตามต้นไม้ไม่ได้อยู่ในท้องทุ่งท้องนาเพราะงั้นต่อไปนี้การปฏิบัติของเราเนี่ยจะรู้ไม่เกินกายจะรู้ไม่ให้เกินกายออกไปอย่างพวาเราบางคนไปเดินชงกรมเนี่ยแล้วจิตไปรู้ว่าพื้นเนี่ยมันนุ่มหรือมันแข็งมันร้อนหรือมันเย็นนี่ไปรู้พื้นนะ ไม่มีใครเคยเห็นพื้นเป็นตัวเราหรอกนะนอกจากคนบ้ามีใครเห็นพื้นที่เราเหยียบอยู่นี่เป็นตัวเรามีไหมไม่มีหรอกงั้นเราก็ไม่ต้องเรียนไกลเราเรียนน้อมกลับเข้ามาที่ตัวเองเนี่ยมาเรียนที่กายที่ใจนี่แหละเพื่อจะได้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะเราก็ละสกิยทิฏฐิ การเห็นว่าขันห้ารูปนามกายใจเป็นตัวเราเองของเราตัวเรามีอยู่เพราะฉะเราจะมุ่งปฏิบัติมาเนี่ยเพื่อลดละเพื่อละความเห็นผิดว่ากายในี้ใจนี้ขันห้านี้เป็นตัวเราเพะฉะนั้นเราเรียนเนี่ยไม่ให้เกินขันห้าไปคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายนี้แหละการรู้สึกอยู่ในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถ้าเราไม่ใจลอย นี่คนส่วนใหญ่นะทั้งแต่เกิดจนตายทั้งแต่ตื่นชนหลับมันใจลอยทั้งวันตื่นมาก็คิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้รู้เรื่องที่คิดนะไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองนะเพราะงั้นนะเราต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไวนะ้แม้จิตออกไปจากกายเราก็จริงนะแต่จิตไปนั่งคิดอะไรเพลินๆหรือบางทีรู้ลมหายใจนะ จิตไหลไปจมนอนแช่อยู่กับลมหายใจอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่เกิดสติเกิดปัญญาเลยมีสติแต่ไม่มีปัญญาอานทีก็รู้ลมหายใจรู้ท้องพอ ง, องยุบจิตไปนอนนิ่งๆอยู่ที่ท้องเนี่ยมันได้สตินะได้สมาธิชนิดสงบแต่มันไม่ได้ปัญญาดังนเราต้องค่อยๆสังเกตถ้าังไงจิตมันจะทางานท่านบอกให้ดูจิตทีแรกหลวงพ่อก็ดูผิด หลวงพ่อเขาไปดูจิตเชมันนิ่งมันว่างนั่นเฉย อ, อยู่นะไปหัดดูช่วงแรกๆจิตมันมาทํางานอยู่นียเพ่งมันระเบิดเปลี่ยนเลยนะโล่งว่างสว่างขึ้นมาเอาละเจอจิตแล้วเราก็อยู่กับความว่างๆความสว่างเนี่ยจิตแลก็ไปรู้ตัวเบิกบานอยู่นะั่นฝึกอยู่สามเดือนนะแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่ นึกว่าเจ๋งแล้วดูจิตได้แล้วรักษาจิตไว้ได้ทั้งวันท่านบอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยมวัวแต่แทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปแทรกแซงจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเฉยๆอยูนะ่รู้สึกอยู่เฉยๆผิดไม่ทาใหม่เนี่ยพูดอย่างนี้เลยนะแล้ที่ถูกเป็นไงไม่เคยบอกเลยหลวงพู ด, ดุลนะมีแต่บอกไอ้ที่ผิดที่ผิดที่ผิดนะ เราไปทำอะไรหลวงพ่อก็้ามาดูท่านบอกว่าเราไปแทรกแซงจิตทําจิตให้นิ่งให้ว่างงั้นเราไปแทรกแซงจิตไม่ ไ, มได้เราต้องปล่อยให้จิตทํางานจิตมันทํางานตอนไหนพวกเราดูออกหรือยังจิตมันเริ่มทํางานเมื่อไรเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิน่นเมื่อลิ้นกระทบรสเมื่อกายกระทบสัมผัส มาใจกระทบความคิดจิตนเะนื้ปรุงแต่งจิตมันทํางานเมื่อมันมีผัสสะจิตนะมันเริ่มทำงานเมื่อมันมีผัสสะเพะมีการกระทบอารมณ์ทางตาจิตมันก็ส่งสัญญาณนะจากตาเนี่ยขณะที่ตาเรามองเห็นเนี่ยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีขุศนไม่มีอคุณศนนะเป็นวิบากเฉยๆหมาไ้มองแห่งอื่น กระทั่งฟ้าอริยะไปมองสิ่งอื่นนะจิตที่ไปมองนยก็มีลักษณะเดียวกันเป็นมิบาจิตเฉยๆไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะตัวเนี้ยเราลองมองอะไรในสารานี้นะลองดูพระพุทธ ร, รทูปเนี่แวบแรกที่ตาเรามองเห็นนะในแวบแรกรู้สึกไม่เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วถัดจากนั้นก็มาคิดต่อ พระองคนี้สวยดีน่าจะยกกลับบ้านนะมันเริ่มอย่างนี้มันเริ่มทำงานต่อเนี่ยถ้าเรามีสติว่างไว้นะจิตเราผิดดูรูปปุ๊บเรารู้ละไม่ทำงานต่อแล้วไม่ปรุงต่ออันนี้จิตมันทำงานแล้วคือม่นไปเกิดที่ตานะเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเราไม่ได้บังคับจิตว่า จะต้องรู้ตัวอยู่เฉยๆห้ามดูห้ามฟังห้ามดมกลิ่นห้ามลิ้มรสห้ามกระทบสัมผัสทางกายห้ามคิดนึกเราไม่ได้ห้ามเลยนะแต่ว่าสติเราเร็วที่สุดเลยพอจิตไปเกิดทางตาไหลปุ๊บไปทางตาที่จริงจิตมันไม่ได้ไหลไปหรอกจิตเนี่ยตัวหนึ่งนะมันดับเกิดจิตดวงใหม่ที่ตาแต่ว่าความรู้สึกของเรามันรู้สึกเหมือนจิตมันวิ่งไปที่ตามันเหมือนในฟิล์มหนังนอะ เคยเห็นฟิล์มหนังไหมฟิล์มหนังแต่ละเฟรแม yards, แต่ละรูปอะ่ะมันอยู่กับที่มันไม่ได้เคลื่อนไหวหรอกแต่พอมันมาไหลผ่านเราไปเร็วๆน่ะเราก็รู้สึกว่าออตัวหนังตัวนี้เคลื่อนที่นะด า, ารา ต, ตัวนี้เคลื่อนที่ตัวกระตูนนี้เคลื่อนไหวเรารู้สึกว่ามันเคลื่อนทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, งที่มันไม่ได้เคลื่อนแต่มันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจิตนี้ก็เหมือนกันมันไม่ได้เคลื่อนไปที่ตาไม่ได้เคลื่อนไปที่หูไม่ได้เคลื่อนไปคิดหรอก นะแต่จิตที่รู้อยู่ตัวหนึ่งจิตที่ไปดูเป็นอีกตัวหนึ่งจิตที่รู้มันดับคือจิตที่ไปดูนี่มันต่อเ น, นื่องกันเร็วเราจะมีความรู้สึกโดยความรู้สึกนะไม่ใช่โดยข้อเท็จจริงโดยความรู้สึกว่าจิตเนี่ยวิ่งไปที่ตานี่พอเราเไปสําคัญผิดว่าจิตวิ่งไปที่ตาเรารู้สึกจิตมันเป็นอัตตาตัวตนนัทธวอร มีจิตถาวนอยู่ตัวเดียวนี้แหละเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาเดี๋ยวก็วิ่งกลับมาเดี๋ยววิ่งไปทางหูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากให้จิตวิ่งไปไหนรักษาไว้เฉยๆนะอันเนี้เข้าไปแทรกแซงจิตเนี่นต่อไปนี่พอจิตมันไปที่ตาไปรับรู้อารมณ์ทางตาแล้วก็แค่รู้ทันไม่ต้องดึงคืนอย่าดึงคืนนะพวกเรานักปฏิบัติเกือบทั้งหมดแหละ ว่าจิตไปวิ่งไปดูรปูปพอเรารู้ทันว่ามันไปดูรูปเราจะดึงคืนทันทีที่ดึงคืนนะใจไม่จะแน่นใครๆเป่นไหมยกมือให้ดูหน่อยพวกที่ไม่ยกคือพวกไม่เห็นนะ่ะมันไปทุกคนแหละถ้าเราเป็นนักดูจิตที่ช่ำชองนะจิตวิ่งไปดูรูปเรารู้จิตที่ดูรูปมันดับไป มันเกิดจิตอีกดวงหนึ่งนะเป็นระบบสื่อสัญญาณนะมันคล้ายๆระบบสื่อสัญญาณนะมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะจิต ท, ที่ส่งสัญญาณเนี่ยเป็นจิตอีกดวงหนึง่งไม่ใช่จิตที่ดูแต่เกิดตามหลังจิตที่ดูพอมันส่งสัญญาณมาที่ใจแล้วมันมีจิตอีกดวงหนึง่งเป็นคนแปลสัญญาณว่าเฮ้นี่มันรูปอะไรนะสัญญาณมจะเข้ามาทํางานอันนี้รูปผู้หญิงนะสวยด้วย เนี่ยพอมันพิจารณาได้ว่าเป็นอารมณ์อะไรแล้วนะมันเกิดจิตอีกดวงหนึ่งมาตกลงใจนะว่าต่อไปเนี่ยจะเกิดสติหรือจะเกิดกิเลส่าจะเกิดกุศลหรือเกิดอกุศลเราเลือกไม่ได้เลยเนี่ยจิตมันทํางานต่อๆๆกันทีละดวงทีละดวงนะมีจิตรู้ตัวอยู่พอมีรูปเกิดขึ้นจิตวิ่งไปดูรูปนะจริงๆจิตรู้เนี่ยดับเกิดจิตที่ดูรูป จิต ท, ที่ดูรูปดูรูปรับรูปแล้วปุ๊บดับนะเป็นตัวรับสัญญาณแล้วนะแล้วก็มีจิตอีกดวหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณจากตานะเอาข้อมูลจากจิต ท, ที่ไปรู้รูปเนี่ยส่งเข้ามาที่ส่วนกลางนะส่งมาที่ใจตัวที่ส่งเนี่ยนะเหมือนในพวกไปรษณีย์ส่งของอะนะส่งเข้ามาที่ใจพอส่งมาแล้วเราก็แกะกล่องดูใช mm hmm. ่ไหมพัสดุมา ถพระสตูมาเราทํำยังไงกราบเหรอไม่ใช่เราก็แกะดูว่ามีอะไรนี่เหมือนกันนะจิตมันไปรับอารมณ์มาเรียบร้อยแล้วมันส่งมาส่งมาเนี้ยเราจะมาเปิดดูไอ้จิตที่ดูเนี่มีอีกตัวหนึ่งมันจะดูว่ามันคืออะไระไอ้สิ่งที่ส่งมาเนี่ยเป็นของดีและไม่ดีนะรูปผู้หญิงสวยหมาตัวนี้สวยหมาตัวนี้บ้านี่ยมีคําแปลผุดขึ้นมา แล้วจากจากนั้นมีเจดีตัวหนึ่งนะเป็นคนตกลงใจของนี่ส่งมาเนี่ยส่งมาผิดในหวา่าเราสั่งซื้อของแพงมันส่งของถูกๆมาให้พอเราสั่งซื้อของแพงแล้วได้ของถูกกว่านั้นมารู้สึกไงโกรธตอนที่รู้ว่านี่ของผิดสเปคเนี่ยผิดที่เราเลือกตอนนั้นยังไม่โกรธนะแล้วถัดจากนั้นถึงได้โกรธขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตมันทํางานอย่างนี้มันเป็นทอดทอดทอดทอดนะมัมันไม่ใช่จิตดวงเดิมนะจิตมันเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับเนี่ยถ้าเราเห็นได้ละเอียดเราจะเห็นะหนะแต่จิตไปเห็นรูปจิตส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจจิตตีความหมายของสัญญาณจิตตัดสินว่าต่อไปเนี้ยจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เกิดดีหรือเกิดชั่วนะัดจากนั้นจิตก็จะเกิดสุขทุกข์ดีชั่วขึ้นมา นะช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งหลังจากนั้นนะพอเกิดสุขทุกข์ดีชั่วช่วงหนึ่งนะจิตก็จะเริ่มเซฟข้อมูลเซฟข้อมูลเก็บนะ่าคล้ายๆ ค, คอมพิวเตอร์อะทำงานเสร็จแล้วก่อนจะปิดเครื่องก่อนจะชัดดาวเซฟข้อมูลเก็บไว้ตัวเนี้ยมันมีจิตดวงหนึ่งเป็นตัวเซฟข้อมูลนะเรียกว่าตาตาลำปพญญจิตเราไม่ต้องจําชื่อ ม, อมันหรอกพอเป็นเซฟข้อมูลเสร็จแล้วก็จิต ที่ตัวเซพข้อมูลดับจิตตกวังจิตที่ตกวังก็เป็นจิตอีกตัวหนึ่งจิตตกวังเป็นไงเราชอบคิดนะว่นั่งสมาธิแล้วจิตตกวังวูบลงไปอันนั้นไม่ใช่จิตตกวังเนี่ยคือจิตมันกลับเข้าไปนอนพักในฐานเดิมของมันในฐานเดิมในสภาวะดั้งเดิมของมันดั้งเดิมก่อนที่จะขึ้นรับอารมณ์ครั้งใหม่ อันเ๋ยวพอมีสิ่งมาเร้าก็ ข, าขึ้นมารับอารมณ์ครั้งใหม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือมีความรู้สึกทางใจมาเร้ามันก็ขึ้นพลวดเดียวมาขึ้นมาทํางานที่ใจเลยก็ได้นะเนี่ยถ้าเราภานาดูจิตดูใจได้ละเอียดน่าจะเห็นสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยแล้วเวลาไปเรียนอภิธรรมนะใช่ไม่ใช่เรื่องยากเลยอภิธรรมที่ว่าเรียนยากนักหนาเลยเนะ่ เราดูจากของจริงแล้วเราไปอ่านนะมันก็แค่ทำให้เรารู้จักชื่อเท่านั้นเองแต่เราเห็นในตัวสภาวะทั้งหลายอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรที่จะต้องกลัวนะแต่พวกเราไม่ได้เรียนอภิธรรมตรงๆเราเรียกชื่อไม่เป็นเรียกชื่อไม่เป็นเราก็เรียกภาษาไทยเนี่ยจิตตรงนี้เป็นตัวรับอารมณ์จิตตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณ แคริออนะ on, ข้อมูลเข้ามาจิตตัวนี้เป็นตัวแกะกล่องพิจารณาข้อมูลจิตตรงหนึ่งตัดสินว่าเนี่ยใช่ไม่ใชนะ่ถูกไม่ถูกนะแล้วก็เกิดจิตอหกดตงหนึ่งนั้นะดีใจบ้างไม่ดีใจบ้างโลม บ, บ้างโกรธบ้างนะทำงานในช่วงหนึ่งเบื่ออารมณ์นี้มันทิ้งอารมณ์อันนะี้ไปดับจิตเข้ารวังวิธีมันทํางานอย่างนี้ก็เรียกว่าวิธีจิต ถ้าเราดูจิตได้ละเอียดเราก็จะเห internet, ็นวิธีของจิตแล้วเราจะรู้ว่าจิตไม่เที่ยงจิตที่รู้ตัวอยู่ไม่เที่ยงจิตที่ดูไม่เที่ยงจิตที่ส่งสัญญาณไม่เที่ยงจิตที่แปลความหมายไม่เที่ยงจิตที่ตัดนะสินนะสุขทุกข์ดีชั่วไม่เที่ยงจิตที่มีความสุขมีความทุกข์มีความดีมีความชั่วไม่เที่ยงเสแล้วมันกตกภวังนะแสอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยจิตไม่เที่ยง หรือเราเห็นวิถีของมันแล้วเราก็จะรู้เออมันทํางานเองนะจิตมันจะไปดูรูปมันก็ไปดูมันได้เองนะมันจะไปฟังเสียงมันก็ฟังมันเองมันเลือกของมันเองไม่ใช่เราเลือกนะจิตเนี้ยไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับเห็นจิตเป็นอนัตตาเพราะมันดูรูปแล้วนะรูปบางอย่างไม่น่าสนใจมันจะไม่ส่งข้อมูลมาที่จิตเคยเห็นไหมจิตชนิดนี้เห็นรูปแล้วไม่ส่งข้อมูลมา จิตยอย่างนี้เกิดมากมายมหาศาลเลยอย่างเรามองเงนี้ยไม่มีอะไรสนใจเห็นเปลนเปล น, ปนอยู่ในบ้านภรรยาอุตสาห์ไปแต่งตัวสวยสามีไม่เห็นนะอุตสาเดินกรีดใครผ่านหน้าทั้งหลายรอบมันยังไม่เห็นเลยเห็นไหมเนี่ยคืออจิตที่มันสักว่าเห็นแนตะ่มันไม่สนใจนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเครื่องวัดนะ แต่งตัวสวยเปลี่ยนทรงผมแล้วสามีไม่รู้เนี่ยต้องรู้นะว่าความน่าสนใจของเราลดลงแล้วแสดงอะไรแสดงความไม่เที่ยงสังขารเรานี่เริ่มไม่เที่ยงไม่มีอะไรดึงดูดหรือไม่สามีเราก็ไม่เที่ยงนอกใจเราแล้วจิตใจเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วถ้าจะดูว่ายังเป็นพวกเดียวกันหรือไม่จะดูตอนไหนหรู้ไหมดูตอนหาว ถ้าเป็นพวกเดียวกันนะเราหาปุ๊บจะหาตามเลยนะจับหลักไว้นะแล้วไปสังเกตเอาเราจะรู้เลยถ้าเราหานะมันก็เฉยนะคนละพวกกันเนะนี่ยเราหัดนะถ้าเราจิตลราไวเราเห็นมันทํางานเป็นชอ็อตช็อตชอตแต่และชอ็อตเกิดแล้วก็ดับแต่และชอ็อตเนี่ยเป็นเองเราไม่ได้สั่ง มันจะส่งสัญญาณหรือไม่ส่งสัญญาณก็อยู่ที่จิตสนใจหรือไม่สนใจถ้าจิตรู้สึกรูปนี้เปลนเก็ไม่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจพิจารณาแล้วไม่เห็นจะเอาไหนเลยเฉยเฉนะยเฉยเฉไม่สนใจมากนะเดี๋ยวนึงก็ลืมไปละเปลี่ยนเรื่องไปหาเรื่องอื่นต่อถ้าสนใจก็ามาคิดปรุงแต่งต่อเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอะไรทํางานต่อไป เราก็จะเห็นอนะไรเนยแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะมันทำงานได้เองบางอย่างเราสั่งให้สนใจมันก็ไม่สนใจบางทีมันจะชั่วเราก็บอกอย่าชั่วมันก็อย่างชั่วเห็นไหมจิตมันชั่วได้เองเราบอกว่าจงมีสติทั้งวันมันไม่ยอมมีเพราะมันสั่งไม่ได้การที่เราเห็นอย่างนี้เรียกเห็นอนัตตา้นดูจิตดูใจนะตัวที่เห็นง่าย อ, อันนี้จังอนะนัตตาอันนี้เป็นการดูจิตที่ละเอียดนะ ถ้าดูหยาบหยาบแบบนั้นก็คือพรตาเห็นรูปแล้วเนี่ยมันมาเกิดสุขเกิดทุกข์ที่ใจมีสติรู้ทันตรงนี้ผัสสะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาใครเคยได้ยินประโยคนี้ไหมที่สวดปฏิจจสุบาทนะผัสสะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาแต่ตะกี้ที่หลวงพ่อพูดอ่ะก่อนจะเกิดเวทนาเนี่ยมีกระบวนการตั้งเยอะลนะนี่ปฏิจจสุบัตินะท่านพูดไปย่อ เป็นภาพสะเก็ดเป็นภาพสะเก็ดแต่ละช่วงแต่ละตัวเนี่ยมีรายละเอียดมีการทํางานที่วิจิตรวิสดานมากเราไม่ต้องเรียนมากเรียนเท่าที่พระพุทธเจ้าสอนเนะี่ะพอละงั้นถ้าเราดูไม่ทันั้งแต่จิตกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกเล้งแก่ใจเรารู้ทันตอนที่จิตมันสุขมันทุกข์ก็ได้พวกเรารู้จักไหมจิตสุขจิตทุกข์ดูเป็นไหมมันสุขขึ้นมาก็รู้ทุกข์ขึ้นมาก็รู้แค่นี้ก็ใช้ได้นะ่ะ ถือว่ามีฝีมือดูจิตในระดับปานกลางมีเที่ยมฝนะีมือกลางๆไม่เก่งสุดยอดแต่ก็ไม่ไม่ถึงขนาดย่ำแยนะ่ถ้ามีความสุขถ่อเรามีสติรู้เราก็จะเห็นว่าจิตที่สุกนะไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายนะจิตที่สุข ไม่ได้สั่งให้สุขมันก็สุขได้เองนะจิต ท, ที่ทุกบอกมันว่าอย่าทุกมันก็ทุงได้เองตัวนี้ยเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาดูจิตเนี่ยตัวที่เด่นคืออนิจจังอนัตตานะตัวทุกขังเนี่ยดูยากมากถ้าไม่ทรงฌานไม่ค่อยเห็นหรอกตัวทุกของจิตเนี่ยแต่ถ้าทรงฌานเนีเวลาจะข้ามัตตาเนี่ยจะเห็นตัวทุกนะเห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกของพวกเราเพลนๆหน่อย เห็นจิตเป็นอนิจจังอนัตตาไปพวกว่าง่ายไม่ดือมากเขาเห็นอนิจจังพวกปัญญามากเขาเห็นอนัตตาพวกสมาธิมากเนเขาเห็นทุกเดียร์ผ่านแต่ดูจิตเนี่ยตัวที่เด่นเนี่ยอนิจจังอนัตตาดูไปอันแรกสุดดูเป็นขณะขณะเลยดูวิถีจิตมันทำงาน แต่กระทบอารมณ์จนกระทั่งเกิดขุสรนะขุสรสุขทุกข์แล้วก็ตกปวังไปนี่ดูอย่างละเอียดเห็นอะไรเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาดูตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องตกใจกระทบอารมณ์ไปยังไงไม่รู้หรอกแต่มันเกิดสุขเกิดทุกข์ทางใจมีสติรู้ทานตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วก็เห็นอะไรเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นสิ่งเดียวกัน อารมณ์กรรมฐานจะยาบหรือละเอียดก็เห็นสิ่งเดียวกันน่ะคือเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเหมือนกันนี่ถ้าเราสุขเราไม่ยังไม่เห็นนะมันจะทำงานต่ออีกจิตเวลามีความสุขนะจิตมันจะพอใจนะจะเกิดราคาขึ้น ม, มีราคาแท็บนะเรามีสติรู้ไม่ทันตอนที่มีความสุขมารู้ทันตอนที่มีราคาก็ยังใช้ได้ จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะก็ใช้ได้อันนี้ช้าหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้ถือว่าเป็นนักดูจิตที่ใช้ได้เพราะฉะนั้นจิตมีราคะขึ้นมารู้ทันจิตมีโทสะให้มารู้ทันจิตมีโมหะขึ้นมารู้ทันถือว่ายังใช้ได้ช้าหน่อยช้าหน่อยแต่ว่ามันเป็นเส้นอะไร เส้นพรมแดนะถ้าช้ากว่าเนี้ยตันหาจะเกิดความทุกข์จะเกิดนะถ้าตันหาเกิดแล้วก็ความทุกข์เกิดแน่นอนช่วยไม่ได้ละต้องจมในความทุกข์ละนะถ้าเราดูจิตได้ว่องไวนะเร็วที่สุดเห็นตั้งแต่มีผัสสะแล้วเห็นกระบวนการทํางานเห็นตัวนี้ไม่ได้แล้วเร็วปานกลาง มันมีการแปลความหมายแนละ้วมันเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นในใจมีสติรู้ทันตัวเนี้พวกเราส่วนใหญ่ดูได้เวลาใจมีความสุขรู้ไหมใจมีความทุกข์รู้ไหมถ้าไม่ใจลอยก็รู้แหละถ้าไม่ใจลอยก็รู้เพราะงั้นะีย่าใจลอย ใ, ใจลอยเป็นศัตรูของการปฏิบัติให้จมันรู้นะรู้ตัวเป็นสบายสบายแต่ไม่รักษาจิตให้นิ่งให้ว่าง ให้จิตทํางานไปตามธรรมชาติแล้วเราจะเห็นกระบวนการทํางานอันนี้เห็นวิถีนะพวกที่ดูได้ละเอียดพวกที่ดูได้ปานคลางก็จะเห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นนะพวกที่ดูได้ช้าสุขทุกข์ดูไม่ทันมันจะเกิดกุศลเกิดากุศลนะเกิดราคะเกิดโทสะอะไรขึ้นมาไปรู้ว่าตรงนี้ก็ยังดีจิตเป็นกุศลก็รู้จิตมีกิเลสก็รู้นะตอนนี้ง่ายที่สุดละดูจิต เวลากโกรธเคยเห็นไหมเวลากโกรธเคยรู้ตัวไหมว่าโกรธหรือไม่ไม่ยากอะไรเวลาใจลอยรู้ไหมว่าใจลอยเริ่มยากนะตันนี้เป็นโมหะดูยากโกรธ ด, ดูง่ายโลภก็ดูดูยากปานกลางหลงเนี่ยดูยากที่สุดราั้นโทสะดูง่ายที่สุดราคะดูยากขึ้นมาหน่อยโมหะดูยากที่สุดเวลาคนไหน จิตยืนเพื้นด้วยโทษานะพวกนี้มีบุญนะขึ้นมาจากนารกก็จริงแหละแต่ว่าบุญมันให้ผลนะแต่เนี้ยจิตมีโทสามันดูง่ายระหว่างเวลามโมโหโทโสนะจิตมีความทุกข์อะกับจิตมีความสุขอะตัวไหนง่ายกว่ากันเริ่มแต่สุขทุกข์อะตัวไหนดูง่ายเวลาสุขมักจะเพลินใช่ไหมเวลาทุกข์น่ยขยันดูใหญ่เลยนะเพราะงั้นไอ้ตัวทุกข์ก็ดูง่ายกว่าตัวสุข ตัวโทสะที่มันเกิดร่วมกับตัวทุกอะมันดูง่ายกว่าราคาที่เกิดร่วมกับตัวสุขมันเกิดด้วยกันนะมีราคามันก็เกิดร่วมกับจิตที่มันมีความสุขไม่มีราคาขึ้นมามีโทสะจิตมันมีความทุกข์ขึ้นมานี่เราค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปพวกโทสะดูง่ายที่สุดนะ พวกราคาดูยากขึ้นมาหน่อยพวกโมหะดูยากที่สุดโมหะคือพวกเลอๆเพลินๆวันหนึ่งวันหนึ่งเผลอเพลินเยอะมากรู้สึกไหมเผลอๆเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเราไม่ค่อยรู้หรอกเพราะงั้นเราทิ้งเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปนะเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราเราไม่มีสติรู้เป็นเผลอๆเพลินๆไปถ้าเราพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆ อย่าเพลอ่อย่าเพลินนี่คอยรู้เรียนรู้ความจริงไปสติไวแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละสติช้าหน่อยก็ดูฉิตมีราคะแล้วรู้ทันจิตโทสะขึ้นมาแล้วรู้ทั น, นใจลอยไปแล้วรู้ทันแต่ก็มีวิธีช่วยนะที่จะทำให้เรารู้ทันจิตที่มีบมหะใจลอยอะไรพวกนี้คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วก็ค่อยรู้ทันเวลามันหนีไปคิดเรื่องอื่นกรรมฐานที่แนะนําก็เช่นพุทโธพุทโธเป็นความคิดแต่เป็นความคิดที่เราจงใจคิดงั้เราตั้งใจคิดพุทโธเรียกว่าเราจงใจคิดพุทโธเราเพราะไม่อยากใช้คําว่าตั้งใจคิดพุทโธดีกรีมันแรงไปเราแค่จงใจคิดพุทโธนะ พุทโธพุทโธพุทโธตั้งใจคิดโทเนี่ยพุทโธพุทโธอย่างนี้นะตั้งใจมากไปเราแค่สนใจใส่ใจนที่จะคิดถึงพุทโธเราพุทโธพุทโธอยู่ดีๆพอเราขาดสติปุ๊บจิตมันจะไม่คิดพุทโธที่เราสั่งหรอกมันไปคิดเรื่องอื่นนะถ้าเราคิดพุทโธจนชินเนี่ยพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแป๊บเดียวเราก็จะนึกได้อ้าวมันลืมพุทโธแล้วนี่นะ เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะไม่ได้สนใจปฏิบัติอะไรหรอกไปหาหลวงพูดุลหลวงพูดุลเนี่ยถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติไปหาเนี่ยท่านไม่ค่อยสนใจอะเอาข้าวของเงินทองอะไรไปถาวายไม่สนใจแต่ถ้านักปฏิบัติไปแล้วจะสนใจนี่ยธรรมชาติหลวงพูดุลเลยหลวงพ่อสมเป็นลูกศิษย์ท่านนะใครมาชวนคุยเรื่องอื่นไม่สนใจอ่ะยี่งมาคุยเรื่องการบ้านการเมืองอะไรองี้รู้สึกไม่มีประโยชน์ เวลามาเจอหน้าหลวงพ่อเ่างเขียนคุยแต่กรรมาฐานไม่มีเรื่องอื่นหรอกหมอเขาห้ามแกมหมอถ้าจะแกมนะให้จิบน้ำร้อนพเราก็จเจริญสตินะอย่างมากก็จิบน้ำร้อนไม่ถึงขนาดจิบน้ำทองแดงเ <c oughs> นี่ยผู้หญิงคนนี้ไปหาหลวงปู่ แล้วก็ไปเล่าการปฏิบัติให้หลวงปู่ฟังนะรู้ว่าหลวงปู่ชอบเรื่องปฏิบัติแต่หลวงปู่ดูรู้ว่าคนนี้ไม่ได้ปฏิบัติหรอกพูดไปอย่างนั้นแหละอหลวงปูยง่ยกขาดีชันพูดโธปุ้บไปจากหน้าแล้วอยู่ๆพุโทโธก็หายไปเออดีเรียกว่าดีอุปชาหลวงพ่อนั่งอยู่ด้วยเป็นหลานหลวงปู่นะบอกมองหน้าไอ้คนนี้แล้วพุโทโธหายนะ ท่านก็ถามผู้หญิงนั่นนะโยมที่พุโทโธหายโยมไปคิดเรื่องอื่นเปล่าใช่ค่ะพุโทโธหายดิฉันไม่คิดเรื่องอื่นเราผูกแล้หันมามองใหม่ไม่ดีก็มไม่สนใจอีกแล้วฟันะงแล้วงงไหมพุโทโธหายเนี่ยมันมีสองแบบพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตรวมปุ๊พุโทโธหายไปจิตตั้งมั่นสงบอันเนี้ดี พุโทโธพุโทโธพุทโธไอหมาที่บ้านมันอาบน้ำอย่างวันนี้ออย่างนี้นะอย่างนี้พุโทโธหายเหมือนกันอย่างนี้ไม่ดีเนะีนะ่ยบางทีคนนี้นะโปรดไม่ไหวท่านไม่โปรดหนะลวงปู่ดูนะไม่มีสนใจเลยถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติจริงๆแต่บางองค์ท่านจะเมตตานะท่านจะถามเห็นะถ้าหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่เทศอนะไรเนี่ยจะใจดี ถ้าบอกหนูพ่อนาลฬพุโทโธหายท่านเออ ก, ก็ดีเหมือนกันนะแต่มันหายแล้วไปคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยท่านจะนุ่มนวลเอาหนูไปคิดเรื่องอื่นค่ะท่านจะบอกเออทีหลังก็พยายามไปพุโทโธบ่อยๆนะอย่าไปคิดเรื่องอื่นนี่ท่านจะแบบเนี้ยหลวงพู่ดูลไม่เอาละเสียเวลาไม่เอาละเสียเวลาทิ้งเลยเมื่อหลวงพู่ดูลเป็นครูที่เรียนด้วยนะโหจริงๆนะ แต่ถ้าเราทนได้เนี่ยเราเจ๋งเลยเพราะว่าความโหดของท่านน่ยทําให้เราต้องช่วยตัวเองมากสังเกตเอามากๆนะแต่อย่าหลวพ่อไปนะเราไปส่งกันมานท่านไม่กี่ประโยควะทีท่านเรียกนั่งอยู่กับท่านท่านแต่บบ่ายยันข้ามเลยบางทีแล้วท่านก็สอนโน่นสอนนี่ไปเรื่อยจนท่านนะหอบแล้วหอบอีกเราก็เกรงใจท่านนะถ้ท่านไม่เลิกบางคนนะท่านไม่หอะ มันอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราภอวนาจริงจังนะท่านดูแลแต่การดูแลของท่านเนี่ยท่านไม่ผูกพันนะอย่างท่านเวลาหลวงพ่อไปส่นบ้านนะโอ้ยใจท่านนี่นะความเมตตาที่ท่านมีตอนเรานี้ท่วมท้นเลยยิ่งกว่าพ่อกับลูกอีกนะพอส่งกันบ้านจบท่านสอนเสร็จแล้วท่านถามเข้าใจไหมมาเข้าใจแล้วครับ หรือบอกท่านว่ายังไม่เข้าใจแต่ผมจะจำไว้ไปศึกษาพิจารณาท่านเลยบอกเออดไีไปทำเอานะเนี <Yeah. S 1> ่ยเอาก็กราบเคารพธรรมะที่ท่านสอนพอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยหลวงปู่เหมือนหายไปจากโลกนะหลวงปู่ที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตากรุณนากลายเป็นความว่างเปล่าไปต่อหน้าต่อตาเราเลยเฉยเหมือนไม่สนใจไม่รู้จักเลย เนี่ยใจใจท่านถึงขนาดนั้น mm. ก็เห็นอยู่องเดียวนี้แหละองค์อื่นท่านก็ไม่ดูขนาดนี้น่เะเวลาเรียนหนะลวงพ่อเรียนท่านบอกอย่าไปแทรกแสงอาขารที่จิตไปดูอกหลวงพ่อดูยงแยกแยะออกมาได้แยะเลยเข้าใจเฮนมาที่แรก mm. ดูไม่ถึงขนาด mm. กระทบผัสสะหรอกที่แรกดูจิตมีราคารู้ว่มีราค้าจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคา ดูแค่นี้แหละจิตหลงรู้ว่าหลงจิตรู้รู้ว่ารู้นะดูอยู่แค่นี้นก็ประมาณสามเดือ น, นประมาณสามเดือนตอนนั้ น, นวันหนึ่งจิตกางวลเจียกฝ น, นกังวลว่าถูกฝนเนี๋ยวคงจะเป็นบาดอีกเลยพอจิตกังบนนั้นมันเห็นจิตที่กางวลความกังวลมันดับวับไปตานาตตาจิตมันรวมเลยรวมของมันเอง จิตมันก้ากระโดดเปลี่ยนแปลงออกมาเองเลยเพราะฉะนั้นเราแค่เห็นจิตมีกิเลสอะไก็รู้ไปเรด้อยๆนะไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่จุดหนึ่งนะีเราก็ได้ดีเท่าๆกับคนที่เขารู้ละเอียดเลยกรรมาฐานอย่างหยาบเลยกรรมาฐานอย่างละเอียดเขาสอนไตรลักษณ์เท่าๆกันจิตหยาบเนี่ยจิตโกรธหรือจิตไม่โกรธเนี่ยจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตไม่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตโกรธก็ห้ามไม่ได้ นะจิตไม่โกรธก็รักษาไว้ไม่ได้ก็สอนอนัตตามันก็สอนอนิจจังอนัตตาเหมือนจิตที่มีปัสสาะแล้วทางานทีละช็อตนั่นแหละสอนสิ่งเดียวกันเพราะนั้นจริงๆสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้นี่นะคือไตรลักษณ์ของใครของใจถ้านะเราจะรู้อารมณ์ที่หยาบหรือรู้อารมณ์ที่ละเอียดไม่เป็นไรอะไรก็ได้เท่าที่เราเห็นได้เราไปอานสติปัฏฐานดู นะท่านบอกทำหยาบทำละเอียดทำในที่ใกล้ทำในที่ไกลทำในที่ใกล้กลคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่ใกล้นะรูปเสียงลรมรมกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมเนี่ยที่ไกลหนีออกนอกไปแล้วนะทำหยาบทำละเอียดนะอย่างหยาบอย่างละเอียดทั้งหมดนี่สอนไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าพยายามรู้อยู่ที่กายที่ใจเอาไว้เราไม่เห็นของข้างนอกไม่ใช่เราหรอก ให้เราเห็นกายเห็นใจเป็นเรางัดูอยู่ตัวนี้มากๆถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าเราไม่มีตัวที่รู้ว่าเราไม่มีอะได้โสดาบัน่ะนะกระบวนการมันมีลีลานะที่จะเป็นพระโสดาบันมีลีลาแต่หลวงพ่อไม่สอนหรอกนะหลวงปู่เคยสอนมาแต่ว่าเราฟังเงยอะเดี๋ยวเราเอาไเมคขึ้นมาไปแต่งจิตขึ้นมานะมีนะ อย่างหลวงพ่อบอกว่าจิตมันรวมเข้ามามันเดินปัญญาอยู่สองสามขนาดนี้เราเอาเลยนั่งปุ๊บเดี๋ยวจิตเห็นอะไรมันก็ปุปุ๊บ ป, บปบขึ้นมาสองทีจริงๆราคะตัวหนึ่งโสทสะตัวหนึ่งปุ๊บๆุ๊ บ, บขึ้นมาเนี้ยได้เห็นสีเขียวขึ้นมาสีแดงขึ้นมาเนี่ยันไม่ใช่จิตมันหลอก่ะจิตมันหลอน เพราะฉันสิ่งเหล่านั้นมยังไม่ต้องเรียนหรอกนะถึงเวลาเราก็จะเข้าใจค่อยๆรู้ค่อยๆดูใครคิดว่าทำดูจิตอย่างละเอียดได้ยกมือให้หลวงพ่อดูซิดูได้ตั้งแต่กระทบทางตาหูจมูกเล้นกายใจส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนาะยกมือซิขอดูหน้าหน่อยอย่าคิดเยอะนะ ใครคิดว่าอย่างกลางได้อย่างกลางอย่างกลางคือสุขทุก็กรู้ทันยกมือสิโอใช้ได้นะใครว่าดีชั่วเรารู้ทันโกรธล้วรู้โลภล้วรู้ยกมือสิเอก็อย่างเยอะใช้ได้ใครไม่รู้อะไรสัอย่างหนึ่งว่างเปล่าสุญญตาถึงที่สุดแห่งทุกละมีไหมของอาจารย์นะ จมันเห็นนะแต่ว่ามันยังถลําไปเห็นอยู่นะดูสบายๆอย่าตั้งใจแรงตั้งใจแรงมันเห็นทุกช็อตเลยแต่ว่ามันเข้าไปแทรกแซงนะมันไม่สักว่ารู้ว่าเห็นนะมันถลําเข้าไปเนี่ยคนลักษณะของคนแก่เมื่อทีนึกชื่อได้บาทีก็นึกนามสกุลได้ บางทีนึกชื่อพ่อได้ชื่อตัวมันเนะมื่อกี้นึกได้ตอนนี้ลืมนะเป็นอย่างนี้นะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้สัญญาไม่เที่ยงบอกภาวนาแล้วสัญญายังไม่เที่ยงได้ไหมได้สัญญาเป็นขันขันมีแต่ความไม่เที่ยงนะงั้นไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วสัญญาไหนดีเลิศตลอดชีวิตไม่ใช่เหมือนกับภาวนาแล้วไม่ใช่ว่าร่างกายเราจะดีเลิศตลอดชีวิตหรอกนะ มันกเสื่อมไปตามสภาพสมาธิเสื่มได้ไหมเสริมได้สีนะอันนี้ไม่ต้องถามเลยขาดวันหนึ่งทั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะเสื่อมสติเสริมได้ไหมได้งั้นพยายามพัฒนานะแต่ละวันแต่ละวันนะพยายามมีเครื่องรู้เครื่องอยู่สติเราจะได้เข้มแข็ง ถ้าเราละทิ้งพิหารธรรมไม่มีเครื่องรู้เครื่องอยู่นะเดี๋ยวเีวสติก็หายนะมีพิหารธรรมยังอยู่กับพืชโตอยู่เราไม่ใจขนะาดสติไม่นานเดี๋ยวก็กลับมันระลึกได้ใครใจลอยบ้างยกเบอร์เซอเราพ่อเห็นมากกว่านั้นยอมนี้ แทบทั้งยอมเลยนะเราดูเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านไปหมู่บ้านนี้เพราะของเรามัน mass, mass แมสแมสโปรดักต์ละสมัยหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยนะเป็นประเภทแ a น d m เมดแฮนด์เมดก็คือครูบาอาจารย์ทุบเอาเตียวของเราระดับแมสโปรดักต์เรียนทีิงร้อยคนบันคนเงินเรียนหลักนะไปช่วยตัวเองให้ได้พอไหวไหมพอทำได้ไหม ขั้นแรกสุดทําอะไรลูกศิษย์หลวงพ่อรู้ไหมขั้นแรกสุดเลยต้องทําอะไรถือศีลห้าอย่าลืมนะทุกวันต้องทําอะไรทำไํำในรูปแบบถ้าไม่ทําพลังจิตจะตกหลวงพ่อทําสมาธิท่านเด็กๆอย่างยี่สสองปียี่สองปีเอามาใช้เจริญมิพัสสนาได้สองปีแล้วสมาธิไม่พอแล้ว พอสมาธิไม่พอในี่ไม่ปัสสนูเกิดนะจิตติดโอภาษสว่างว่างอยู่งนะั้นน่ะติดอยู่อย่างนั้นปิ่นปีเลยนะเรารู้ว่าติดนะรู้ว่าไม่ใช่แต่มันติดยังไงมันไม่ใช่ยังไงดูไม่ออกเราจะหลงตามหาบวัวท่านบอกมันดูไม่ถึงจิตแล้วเาถึงนึกออกโอ้มันมันอยู่ข้างนอกจริงมันไม่ได้ดูามาที่จิตนะทําสมาธิกลับเข้ามางั้นต้องใช้สมาธินะ่ะ ก็แบ่งเวลาทําสมาธิทุกทุกวันสมาธิมีสองอันวันไหนจิตฟุ้งซ่านมากน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่สบายๆแล้วพุโทโธแล้วสบายอยู่กับพุโทโธให้ใจแล้วสบายอยู่กับหายใจวันนี้กิเลสแรงสุดขีดเลยพุโทโธก็เอาไม่อยู่หายใจก็เอาไม่อยู่แล้วดูตัวเองนะใจมันชอบอะไรอย่างหลวงพ่อเมอื่อก่อนนี้อ่านกระตูนนะซื้อกระตูนตุนเอาไว้อะไรที่บ้าน การ์ตูนเด็กๆนะก็วันเนี้ใจโฟกซ์บุ้นไหยมากอ่านการ์ตูนซะหน่อยนะแล้วหัวเราะสักทีหนึ่งกลับมาพูดโทมาให้ใจแป๊บเดียวสงบละมีบางคนนะ่ะชอบร้องเพลงทํากรรมฐานอะไรก็ไม่ได้มันเครียดไปหมดเลยหลวงพ่าถามว่าชอบอะไรเขบอกชอบร้องเพลงเออคารวาสร้องเพลงไม่ผิดอะไรเนี่ยอย่าไปร้องดังให้คนอื่นก็เอาก้อนห็นคว่างหลังคาเขาแล้วกัน เพราะฟังเธอแล้วเสียงไม่น่าจะร้องเพลงเท่าไหร่แต่เธอชอบร้องมากร้องนะร้องปิดห้องเราร้องไปให้สบายใจาบ้านเี๋ยวนี้เปิดแอร์อย่ปิดห้องไว้อยากร้องว่าร้องไปก็ร้องเพลงแล้วสบายใจว่าจะสบายใจแล้วมาทําสมาธิต่อจนะิตรวมทีเท่ารู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวบางคนชอบถูกับเครื่อง วันนี้จิตมุ่นวายนะพระเครื่องมาดูส่องไปส่องมามีความสุขอย่างเงี้ยแล้วก็ภาวนาต่อไปเลยจิตที่รวมง่ายอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตจะสงบง่ายนี่เป็นสมาธิสงบนี่พอเรามีเรี่ยวมีแรงพอเราทําสมาธิอย่างหนึ่งสมาธิตั้งมั่นก็ทกํากรรมฐานไปแล้วก็คอยรู้เท่าทัานจิตตัวเอง สมาธิสงบเนี่ยเราให้ความสำคัญกับตัวอารมณ์เช่นพุโทโธลมหายใจร้นะองเพลงนะสองพระเครื่อง<ม>เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดนะเวลาเราจะทำความสงบเนี่ยเราสนใจที่อารมณ์จิตมันไปเกาะอารมณ์นิ่งๆอยู่ลัวก็สงบเรียกว่าใช้อารมณ์เป็นพระเอกนางเอก แต่เวลาเราจะทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นเอาไห้เดินปัญญาเนี่ยเราจิตเป็นพระเอกเป็นนางเอกอารมณ์เป็นแบ็คกราวเป็นเครื่องลอ่อมีอารมณ์ไหมแต่พอจิตวิ่งไปที่อารมณ์รู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันเคยรู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยจะได้สมาธิที่ไม่วิ่งที่ตั้งมั่นโดยไม่ได้รักษาตอนี้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่าไปรักษาไะจิตใจตั้งมั่นแล้วปล่อยให้ทางาน วิธีปล่อยให้ทํางานก็คือมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายกระทบสัมผัสมีใจมันก็ต้องคิดนะคิดพุดโทโธมันก็คิดนั่นแหละแต่ว่าจงใจคิดใจก็มีหน้าที่คิดไปแต่พอมันคิดแล้วใจเราถาล่มไปอยู่ในความคิดรู้ทันใจหนีไปที่อื่นรู้ทันนะนี่นี่ใจก็สร้งมั่นขึ้นมาแล้วพอเราเห็นมันทํางานไปได้ๆนะต่อไปเราก็จะรู้ ถ้ารู้อย่างละเอียดก็เห็นได้แต่ปัสสะเป็นช็อตๆแต่ละอันนะมีไตรลักษณ์เห็นได้อย่างกลางเราเห็นสุขเห็นทุกข์แต่ละอันก็มีไตรลักษณ์สุขทุกข์เห็นได้อย่างหยาบก็เห็นเป็นกุศลอกุศลมันเกิดแล้วเรารู้ทรรมตนนี้ก็เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาอันเดียวกันนะวันนี้เท่านี้นะเดี๋ยหลวงพ่อหมดเสียงแล้ว จะฝืนต่อไปนะก็มีหมอศิริราชนะมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเกิดไปฟ้องหมอที่รักษาหลวงพ่อนะเนี่ยหมอนะตามไปฟังเมื่อวานก็ตามไปสังเกตที่วัดนะดูแลคนไข่ดีมากช่วยเหลือดูแลได้ทุกอย่างครับก็ สำหรับปัจจัยและทายธรรมที่มีผู้นำมาถวายนะครับ ท, ทีมงานจะนำไปถวายหลวงพ่อในลาดับถัดไปนะครับขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจกล่าวคำถวายทานร่วมกันนะครับท้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทยธรรมและสิ่งของกันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่หลวงพ่อประโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบเชิมกาลนานเทิน